วันนี้เป็นวันที่ยี่สิบเอ็ดกุมภาห้าสามวันนี้เป็นวันหลวงตาท่านมาวางซีละเลิกที่วัดป่าหนองกองเพื่อสร้างเจดีพิพิธภัณฑ์หลวงปู่เพียรวิริโยเมื่อเช้าวันนี้และวันนี้เป็นวันพระ ขึ้น8ค่ำเดือน3วันพระหน้าเป็นวันมาคบูชาเมื่อคืนที่แล้วหลวงพ่อก็ได้ไปสวดพนในพิธีงานจะวางเิล้อเลิกวันนี้ที่วัดป่าหนองกองคณะสงฆ์รู้สึกว่าพระมากอยู่เมื่อคืนที่ผ่านมา ในกลุบาจารย์พระเถระผู้ใหญ่ก็มามากเมื่อคืนนี้เขาทีแรกเมื่อประชุมกันทีแรกก็ว่าจะให้หลวงพ่อเป็นองค์แสดงธรรมพอมาเห็นเมื่อคืนีพระเถระผู้ใหญ่มามากค่าก็เลยให้หลวงปู่สวงเป็นผู้กล่าวสมบทธนิยกถาตามอัธยาศัยของท่านในนี้ก่อนที่ท่านจะกล่าวหลวงพ่อ เห็นคณะชาตาญาติโยมมากหลวงพ่อก็เลยกล่าวความเป็นมาที่จะวางสิลาเลิกแล้วก็ความเป็นไปความเป็นมาของเจดีย์และความเป็นไปของเจดีย์จะดำเนินการอย่างไรในเจดีย์ของหลวงปู่เพียรหลวงพ่อก็ได้กล่าวเกินเรือว่าแนะนำเรื่องว่ากล่าวเพื่อจะให้ ญาติโยมพี่น้องประชาชนได้รับทราบบอกวความเป็นมาเป็นไปอย่างไรหลวงพ่อไม่ได้แสดงธรรมเมื่อคืนนี้เพียงแต่กล่าวสัมมบทนิยกถาเกี่ยวกับเจดีให้แก่พี่น้องศรัทธาญาติโยมได้รับทราบว่าเมื่อสร้างเมื่อวางสิลเลิกจบลงไปแล้วพวกเราจะสร้างเจดีต่อเลยใช่ไหมก็ได้บอกว่ายังเพราะว่า แปลนยังไม่ไม่ชัดเจ น, นการประกวดแปลนแปลนเจดียนะยังไม่ได้ออกมาเป็นชัดเจนต่างคนก็ต่างเขียนแปลนออกมาก็เห็นเห็นแล้วก็หลายคนพอสงวรแต่คงจะผ่านคณะกรรมการตรวจซะก่อนใครเขาว่าลูกศิษย์ลูกหาทุกหมู่เหล่าหันหน้ากว่าหากันแล้วก็ตรวจแบบแปลน ใครต้องการแปลนไหนแบบไหนจากนั้นก็จะได้เลือกแปลนนั้นนั้นก็คงจะหาวิศวกรรมถอดแบบว่าเจดีของหลวงปู่เพียนเนี่ยจะใช้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ทั้งหมดในเมื่อผู้ค่าใช้จ่ายเสร็จแล้วก็คงจะหาผู้รับเหมาว่าใครจะบริษัทไหนจะมารับเหมาเมื่อ ได้บริษัทลำเหมาและเกาคงจะเซ็นสัญญาและก็ดำเนินการก่อสร้างต่อไปอันนี้ก็คือที่จะสร้างเจดีพิพิธภัณฑ์ของหลวงปู่เพียนหลวงพอ่อได้ปรารภว่าการสร้างเจดีครูบาอาจารย์ไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดก่อนที่จะสร้างเจดีของหลวงปู่เพียนก็ได้รับอนุญาต หรือไฟเขียวจากองค์หลวงตาหลวงตาอนุญาตแล้วคณะสงฆ์หรือคณะสัทธา ญ, ญาติโยมจึงได้ดำเนินการตามขั้นตอนหลายขั้นตอนจนถึงมาได้วางศิเลฤกจากนั้นก็จะได้ดำเนินงานอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวใะการสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ท่านก็บอกว่าถูปรหาบุคคลสี่จำพวกสมควรที่จะสร้างสถูปและเจดีย์ูประหาบุคคลสี่จำพวกนั้นคือใครพระพุทธเจ้าพระประเจตพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกพระเจ้าจักรพัฒผู้มีกิเลสอยู่คือพระเจ้าจักรพัฒแต่ทำไมจึงสมควรที่จะสร้าง เดีเพื่อบรรจุอัติธาตุของพระเจ้าจักรพรรดิเพราะว่าพระเจ้าจักรพรรดิเป็นผู้กว้างขวางเป็นผู้มีบารมีในยุคนั้นสมัยนั้นมีแต่พระ ค, คุณให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่พี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าไม่ได้เลือกนาจิตใจของท่านเป็นธรรมเป็นศีลอีกตาหากในเมื่อท่านล่วงลับไปก็สมควรที่จะสร้าง จะทูกและเจดีประดิษฐานไว้ในทางสีแพ่งเพื่อคนจะได้กราบได้ไหวเพราะว่าเมื่อคนกราบไหว้คนเหล่านั้นก็จะได้ระลึกถึงพระเจ้าจักรพรรดิแลวก็จะได้ทำตนให้เป็นคนดีเหมือนพระเจ้าจักรพรรดิถึงจะไม่ทำทั้งหมดก็จะสํารวมกายวาจาที่ได้รับคาสอนจากพระเจ้าจักรพรรดิในยุคสมัยนั้นๆก็ทาให้คน จิตใจของคนในยุคนั้นอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ทำความชั่วไม่เห็นแก่ตัวเพราะเอาพระเจ้าจากักรพรรดิเป็นตัวอย่างเมื่อนำทำคําสอนของพระเจ้าจากักรพรรดิมาแนะนำตนเองและก็ น, นำเอาพระพุทธเอาพระเจ้าจากักรพรรดิเป็นตัวอย่างในเมื่อไม่ได้ทั้งหมดก็ได้ในระดับหนึ่ง เขาเหล่านั้นเมื่อมรณภาพไปแล้วก็ไปสู่สวรรค์เป็นส่วนมากเพราะเขาทำแต่คุณงามความดีสํารวมกายวาจาเรียบร้อยไม่ล่วงละเมิดต่อศีลและธรรมเพราะนั้นท่านจึงให้สร้างเจดีย์ไว้ในทางสีแป้งคือพระเจ้าจักพรพรรดิท่านหนึ่ง ในบรรดาถูประรหาบุคคลสี่จำพวกนั้นส่วนพระพุทธเจ้าพระปเจกพุทธเจ้าพระหันสาวกอันนั้นไม่ต้องกล่าวเพราะท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ผุดพองไม่มีกิเลสราคะโทสะโมหะเป็นพระอระหันต์ท่านสามจำพวกนั้นแต่ต่อมาครูบาอาจารย์สมควรที่จะสร้างสถูปและเจดีก็ดูเป็นององค์ แต่โดยมากลุกสิทลุกหาที่เคารพนับถือเลื่อมใสก็เร่งก่อสร้างพระเจดีเพื่อบรรจุอัธบริขารแล้วก็บรรจุอธิธฐานของครูบาอาจารย์องค์นั้นๆแล้วก็พร้อมกันบนยอดพระเจดีก็ได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุธาตุพระอระหันต์และก็ธาตุ ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่พวกเราเคารพนับถือว่าท่านได้เป็นผู้บริสุทธิ์ผุดผ่องที่พวกเราได้รู้ได้เห็นได้เคารพนับถือในองค์ของท่านอย่างหลวงปู่มั่นอย่างนี้เป็นต้นนะทุกเจดีในยุคสมัยนี้ก็โดยมากจะมีพระธาตุพระอรหันต์หรือพระธาตุของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในยุคปัจจุบันบรรจุเกือบทุกเจดี พูดอย่างนั้นได้เพราะนั้นเมื่อประสบในกรอุบาสกอุบาสิกาทุกหมู่เหลา่าได้สร้างพระเจดีย์ขึ้นมาก็เพื่อบรรจุสิ่งดังกล่าวก็เป็นที่กราบไหว้ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายและในครั้งพุทธกาลก็เป็นมาที่สร้างสถูปและเจดีย์ทีบสถานที่พระพุทธเจ้า ปรินิพานและก็หลายหลายแห่งตัสรู้อย่าง น, นีในเมืองไทยของเราก็ได้นำพระบรมสารีริกธาตุมาแล้วเราพวกเราก็ได้สร้างสถูปและเจดีย์มากมายหลายแห่งแต่นี้ของครูบาอาจารย์ของเร า, าก็เหมือนกันทีนี้เคยมีไหมในครั้ง ก่อนๆเนี่ยเมื่อคืนในหลวงพ่อก็ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกในอดีตชาติที่พระพุทธเจ้าเท้าวความถึงเจดีหรือว่าพระธาตุให้แก่พวกกนัททายาิโยมได้ฟังเมื่อคืนนี้ที่หลวงพ่อได้กล่าวสมโมทนิยกถา แต่ไม่ได้กล่าวมากกล่าวสั้นแต่ก็ให้ตีความหมายเลยว่ามีความหมายในในการกล่าวก็คือเรื่องที่พระกุลทั ก, กะพัทิยะพระกุลทั ก, กะพัฏิยะท่านเกิดในกรุงสาวัตถีเกิดในผู้มีฐานะร่ารวยเป็นผู้มีเงินแต่ร่างกายของท่านต่ำเตี้ย ตัวเตีย้ยตัวเล็กวันนี้ท่านได้ฟังทำคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านก็เกิดความเคารพนับถือเลื่อมใสจากนั้นท่านก็ได้มาบวชกับพระพุทธองค์พอบวชแล้วท่านก็ตั้งใจปฏิบัติท่านก็ได้สำเร็จเป็นพระอาหารหันต์เมื่อท่านได้สาเร็จเป็นพระอรหันต์ท่านไป น, นสถานที่ใดการพูดหรือการแสดงธรรมของท่าน แตกฉนานไพเราะจับใจเสียงของท่านเสียงเพราะมากไม่มีองค์อื่นที่จะเสียงเพราะเหมือนกับเสียงพระลักุลท ก, กะพัทิยะพระพุทธเจ้าจึงได้ประกาศได้ท่ามกลางสงตั้งให้รับตำแหน่งเป็นผู้มีเสียงเพราะกว่าภิกษุทั้งหลายท่านได้รับเอธะตะะ เลิศว่าพิกษุทั้งหลายจบแล้วก็คือเป็นอสิตติมหาสาวกแปดสิบรูปในบรรดาลูกศิษย์สาวกของพระพุทธเจ้าแต่ร่างกายของท่านเตี้ยเล็กสมัยหนึ่งท่านเข้ามากราบพระพุทธเจ้าเป็นส่วนตัวพอเห็นพิกษุกลุ่มหนึ่งเข้ามาสามสิบรูป ท่านก็เห็นพระเหล่านั้นมาท่านก็กราบลาพระพุทธเจ้าเพื่อจะให้โอกาสต่อพระที่เข้ามาทีหลังคือพระธุดงที่ออกมาจากป่าเพื่อจะได้มารับโอวาทและฟังธรรมของพระพุทธเจ้าพระกุณทกะพระพัทถยะท่านกลาพระพุทธเจ้าท่านก็เดินสวนทางพระเหล่านั้นที่เดินเข้ามาที่จะกราบพระพุทธเจ้าพระสาสบรูปนั้นมอง พัทยะองค์เตี้ยนะ เ, เหมือนกับสมัมมเนรเหมือนกับเนน้อยเดินผ่านไปบางตำรา ว, ว่าพระเหล่านั้นยังเอามือขยุ้มหัวท่านอีกเพราะหน้าตาคนท่านน่ารักแต่ท่านก็เฉยท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่นี้พอไปพระสงฆ์เหล่านั้นก็ไปกราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าถามว่าเอ พวกท่านทั้งหลายเห็นไหมที่พระเถระเดินลงไปผ่านพวกท่านทั้งหลายไปสักครู่นี้พระสามสิบรูปกบอกว่าไม่เห็นพระเจ้าค่ะเอาไม่เห็นยังไงพวกที่เดินไปเห็นแต่สั ม, มนเนนนี่นั่นแหละสมมนเนนนั่นแหะไม่ใช่สั ม, มนเนนนั้นแหละคือพระมหาเถระในบรรดาอสิติมหาสาวกของเราแปดสิบรูปนี่แหละองค์นี้แหละองค์หนึ่ง แต่นี้ประสงค์ทหลายทำไมรูปร่างเตี่ยนักพระเจ้าขา่าพระพุทธองค์ตรัสบรรยายว่าที่รูปร่างใหญ่ก็ดีเล็กก็ดีอันนั้นไม่สำคัญข้อสำคัญให้มีคุณธรรมในจิตใจแต่ถ้าผู้ใดร่างกายใหญ่แต่โง่เขลาเต็มไปด้วยกิเลสราคะโทสะโมหะอันนั้นก็ไม่ใช่ว่าจัดไม่จัดว่าเป็นเถระ ถึงจะรูปร่างเตี้ยเล็กแต่ท่านทำจิตใจให้หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสถึงจะรูปร่างเล็กก็เป็นมหาเถระแต่ถ้าว่าทั้งรูปร่างสมบูรณ์สวยงามใหญ่โตเหมือนกับสมบูรณ์แบบแล้วก็ท่านได้สาเร็จมักสาเร็จผลด้วยอันนั้นก็เลิศประเสริฐทั้งกายทั้งใจพระพุทธเจ้าท่าน บรรยายให้แก่พระสงฆ์เหล่านั้นฟังจากนั้นก็จะทํำยังไงจึงจะให้เกิดคนนุณธรรมขึ้นขึ้นมาในใจท่านก็สอนเรื่องสติปัฏฐานแล้วก็อริยสัจเมื่อจบลงแล้วพระสงฆ์เหล่านั้นก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดทั้งสามสิบรูปจากนั้นพระสงฆ์ก็ได้กราบทูลถามพระพุทธองค์ว่าทําไมพระ ากุลทกษะพัทธิยะหนึ่งทำไมตัวเตีย้ยพระพุทธองค์ว่าเป็นวิบากรรมในอดีตวิบากรรมอันไหนหนอพระเจ้าข่าพระพุทธองค์ได้ตัดให้พระสงฆ์ฟังว่าสมัยหนึ่งพระกุลทกษะพัทธิยะเกิดในศาสนาของพระพุทธเจ้ากัจจปะคือในพัตตกับนี้มีอยู่พระพุทธเจ้าห้าองค์คือกากุชันโทโกณคคมโนกัจจโป โคตโม ค, คือพระพุทธเจ้าของเราอริยะเมตโยคือองค์ที่จะตรัสต่อไปในอนาคตคือพระพุทธเจ้าหา้าห้าพระองค์ตอนนี้พระพัตติยะเนี่ยที่เป็นมหาเถร่าเนี่ยท่านเกิดในศาสนาของพระพุทธเจ้ากัจสปะช่วงปลายพระพุทธเจ้ากัสจปะปรินิพานคนทั้งหลายก็หาหรือกันว่าการสร้างพระเจดีย์เนี่ยเราจะทําใหญ่ขนาดไหนจึงจะสมควร ผู้ที่มีเงินมากเศรษฐีมหาเศรษฐีเขาก็คิดว่าเอาแปดโยตบั่งเจ็ดโยต์บั่งหกโยตบั่งโยตก็คือ400สี่ร้อยเซนสูงสี่ร้อยโยต์สูงแปดร้อยโยต์สีส่เหลี่ยมด้านละสี่ร้อยท่านนับแปดร้อยโยต์แต่นี้คนมีเงินเขาก็พูดใหญ่แต่คนไม่มีเงินก็โหจะเสียจได้หรือ ก็เมื่อสร้างเสร็จแล้วใครจะเป็นผู้ดูแลรักษาใหญ่ขนาดนั้นจะซ่อมแซมยังไงทีนี้ท่านพัทยาในชาตินั้นท่านเกิดเป็นตระกูลช่างไม้ที่เป็นช่างไม้ใหญ่ในเมืองนั้นก็ใคริาว่าเป็นผู้มีเสียงเสียงหนึ่งที่ออกเสียงได้ท่านก็เลยบอกว่าตามไม่จริงถ้าสร้างใหญ่จนเกินไปการดูแลรักษา มันก็อยากจะสร้างขนาดนี้เอก็จะดูแลรักษาง่ายเอาเถอะนะผมว่าด้านละหนึ่งโยต์สูงหนึ่งโยตกว้างสี่ร้อยเส้นสูงสี่ร้อยเส้นขนาดนี้น่าจะเพียงพอพวกเราท่านหลายท่านทั้งหลายเห็นด้วยไหมคนคนรวยเนี่ยมันน้อยกว่าเสียงออกเสียงแสดงกระสู้คนจนไม่ได้ คนจนวะใชา่นี่รักษาง่ายดีนี่แหละในพระธรรมคำสอนท่านบอกว่าพระพุทธเจ้านี่ทำอะไรบา ร, รมีของท่านไม่มีประมาณการสงเคราะห์โลกท่านไม่มีประมาณน้ำพระทัยของท่านไม่มีประมาณทุกสิ่งทุกอย่างของพุทธะไม่มีประมาณแต่ว่าพัทธิยะช่างไม้ท่านมีประมาณให้สร้างพระเจดีย์เล็กมีประมาณ เพราะนั้นบาปกรรมตัวที่มีประมาณตัวนี้แหละเกิดมาพบใรชาติใดตั้งแต่ชาตินั้นเป็นต้นมาท่านจะเป็นผู้มีร่างกายเตี้ยต่ําเตี้ยตลอดตัวเล็กตลอดมาจนมาถึงชาตินี้เป็นชาติจุดท้ายของท่านท่านก็เกิดมาแล้วก็ยังตัวเตี้ยอีกอย่างเก่าไงนะบาปกรรมแหมกรรมอกุศลกรรมของท่านแต่กรรมในทางที่ไม่ดีแต่กรรมในทางที่ดีท่าน เกิดในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆชื่อว่าพระเจ้าสีขีท่านเห็นพระพุทธเจ้าท่านตั้งสาวกะหรือสาวกของท่านให้เป็นผู้เลิศกว่าพิกจุตั้งหลายเป็นผู้มีเสียงเพราะอจากนั้นท่านก็ได้กราบพระพุทธเจ้าอไปฉันอาหารที่บ้านของท่านท่านเป็นเศรษฐีจากนั้นท่านได้ถวายอาหารพระสงฆ์พร้อมพระพุทธเจ้า เจ็ดวันจากนั้นท่านก็ตั้งความปรารถนาออขอให้ข้าพระองค์ได้เป็นอย่างพระเทระองค์ที่พระพุทธองค์ได้ตั้งไว้นั้นคือให้เป็นผู้มีเสียงเพราะในศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งในอนาคตพระพุทธเจ้ามองดูอนาคตเออเธอจะได้เกิดในศาสนาของพระพุทธเจ้าโคตมะทั้งกับพยากรไว้เลยเด็กนีอจากนั้น ขอให้ความปรารถนาของเจ้าจงสําเร็จสมหวังดังปรารถนาเทินเอวังโหตุเอวังโหตุจากนั้นมาท่านก็เวียนไหวตายเกิดในวัฏสงสารเป็นระยะเวลานานทีเดียวจึงได้มาถึงศาสนาของพระพุทธเจ้าของเราท่านก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์พระพุทธเจ้าก็ได้ตั้งให้ได้รับเอธัตคะเลิศกว่าภิกษุทั้งหลาย เป็นผู้มีเสียงเพราะฮะนี่แหละในหลักของพระพุทธศาสนาถ้าย้อนดูแล้วพระพุทธเจ้าทว่าตายแล้วเกิดไม่ว่าจะคำภีไหนไม่ว่าจะเรื่องไหนพระพุทธเจ้าจะเน้นหนักหว่าตายแล้วไม่สูดตายแล้วเกิดอีกวิญญาณตัวนี้เกิดมาสวยวิบากหรือว่าสวยกล่ำที่ตนได้กระทําถ้าว่าตัวเองทํากล่ำดีกล่ำดีก็ จะสนองไปเรื่อยๆถ้าทํากรรมชั่วกรรมชั่วก็สนองแต่คนเราพวกเราเกิดมาในพบหนึ่งชาติหนึ่งจะทําแต่กรรมดีอย่างเดียวก็คงจะไม่ใช่แจะทํากรรมชั่วอย่างเดียวก็คงจะไม่ใช่มันก็ข้ากันในสองอย่างจะเมื่อมันข้ากันทั้งสองอย่างบุญกับบาป มันก็ไหลเข้ามาสู่จิตใจเพราะใจของเราเป็นคลังเป็นผู้รับทั้งบาปรับทั้งบุญในเมื่อบุญามากเวลาช่วงไหนบุญให้ผลพวกเราก็มีความสุขเยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะบุญกุศลให้ผลแต่เมื่อไรบาปอกุศลให้ผลพวกเราก็เสียอกเสียใจและทมทุกจะเลี้ยงชีวิต จะเอาตัวไม่รอดเพราะอะไรเพราะกรัมชั่วให้ผลเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นการเกิดการตายหรือว่าดวงวิญญาณของแต่ละคนเป็นมาอย่างไรเป็นไปอย่างไรเป็นมาเพราะอะไรมีวิบากกรัมต้นไหนกรัมตัวไหนที่ให้ผลในขณะนี้ช่วงนี้หรือจะให้ผลในอนาคตต่อไปภายภาคหน้าจะเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าจึงท่านจึงห้ามเตือนพวกเราท่านทั้งหลายว่า กรรมชั่วอย่าทำเสียเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นย่อมให้ผลเป็นทุกข์เดือดร้อนเผาผ่านเมื่อภายหลังเพราะนั้นทำคำสอนที่พระพุทธเจ้าที่ท่านในตรัสท่านรู้อดีตอนาคตปัจจุบันพวกเราในฐานะพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าควรจะศึกษาควรจะวิเคราะห์ ควรจะพิสูจน์ด้วยตนเองไม่ใช่เชื่อตามที่ครูบาอาจารย์บอกหรือตาเชื่อตามตำรับตำราที่ท่านเขียนเอาไว้หลักพิสูจน์คืออะไรพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้แล้วคือแผนที่ที่พวกเราจะเดินตามแนวแถวของพุทธะนั่นคือนั่งสมาธิทําจิตใจให้สงบเมื่อจิตใจสงบเป็นหนึ่งแล้ว เราจะรู้ได้ว่ากายกับใจอาศัยกันอยู่รูปธรรมนามธรรมจากนั้นเมื่อเราจิตใจละเอียดเข้าไปเราจะมองเห็นได้ว่าขณะนี้เราใช้กรรมเรื่องอะไรวิบากกรรมของเราวิบากกรรมอันไหนที่พวกที่เราได้ใช้อยู่ในขณะนี้ อ, อย่างพระโมกคาราอย่างเนี้ยที่ท่านถูกโจรทุบฆ่าท่าน ท่านก็หนีสองครั้งพอครั้งที่สามท่านก็นึกย้อนดูว่าที่พวกโจรมาลุมที่จะทําร้ายท่านนี่ด้วยวิบากกรรมอันไหนท่านก็รู้นะโอ้ด้วยวิบากกรรมในอดีตข้าพเจ้าเคยได้ฆ่าพอ่อฆ่าแม่มาเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจะหนีไม่พ้นจะต้องปล่อยให้เขาทําร้ายข่าเพราะว่ากรรม ข้าพเจ้าได้ทำไว้แล้วในอดีตชาติจะหนีไปไหนเออจะหนีไปในท้องฟ้าอากาศเออหุบเหวไหนมหาสมุทรที่ไหนหนีกลัมไม่พ้นกลัมตัวนี้จะต้องติดตามให้ผลเหมือนกับหมาไล่เนื้ออย่างนั้นเออหมาที่กลิ่นดีกําลังแรง เ, เนื้อนี่ยก็มันคล้ายๆกับกมัน ทุกผ ล, ลภาพแล้วเพราะมันมีกลํมชั่วให้ผลอยู่มันก็วิ่งหนีกรัมที่มีกําลังกว่าไม่ไหวหนีไม่พ้นผระนสสุก็นี่แหละต้องได้ใช้กลํมเว้นเสียแต่กลัมนั้นไม่หนักหนาหรือว่ากลัมนั้นถึงจะหนักแต่ว่าผู้ที่กระทาหรือว่าผู้จะได้รับกลัมนั้นได้บาเพ็ญ ตนอย่างอุตรุษจะว่าตัดกรรมก็ใช่ถือจะว่าหนีกล ร, รมชั่วก็ใช่อันนั้นคือถ้าจะหนีหรือตัดกล ร, รมก็คือทำคุณงามความดีอย่างที่หลวงพ่อเคยได้พูดว่าในตาเหลอหนวดแดงที่ฆ่าโจรห้าร้อยทีเดียว4 9่อคนทีเดียวแล้วก็ท่านได้ทำบุญกับ ภาษาริบุตรเถระท่านได้ใส่บาตรแล้วก็ได้ฟังธรรมเทศนาของภาษาริบุตรภาษาริบุตรก็เทศให้ฟังว่าให้จิตใจอยู่ในปัจจุบันไม่ต้องคิดถึงอดีตที่ผ่านมาไม่ต้องคิดถึงอนาคตที่ยังไม่มาถึงให้ใจคุณอยู่ในปัจจุบันขณะนี้เดี๋ยวนี้นายหนวดแดงตาเหลือ เขาได้ฟังธรรมเทศนาให้ฟังให้จิตใจอยู่ในปัจจุบันเขาก็ได้สําเร็จเป็นพระโสดาบันในเมื่อพระโสดาบันขณะนั้นเพราะว่าตัดเรื่องอดีตที่ฆ่าผู้คนมานั้นสลัดออกเลยแต่ น, นแต่ว่าท่านก็จะได้เกิดหนึ่งชาติสามชาติเจ็ดชาติคือพระโสดาบันมีสามเกรด มีหนึ่งชาติคือเอกับชีสามชาติเกิดจะได้เกิดสามชาตินี่เีว่าโกรังโกระเกิดเจ็ดชาตินะว่าชัตตุคตะประมะพระโสดาบันไม่เกิดเลยเจ็ดชาติเนยว่าสรุปแล้วก็คือลักษณะพระโสดาบันเกรด A B บถ้าจะเราจะจัดนะลักษณะอย่างนั้นแต่ท่านผู้นี้จะยูนิ พระโสดาบันเกรดไหนไม่ทราบแต่ถึงยังไงถึงเกรดถึงท่านเกิดมาพบใดชาติใดก็คงจะถูกฆ่าถูกฆ่าแล้วก็ตายแล้วก็ท่านแล้วก็ตายผลที่สุดชาติที่เจ็ดท่านก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์แปลว่าหนีกล่ำเลยสะนะิหมาตัวนี้มันจะตัวใหญ่โตขนาดไหนแต่เราข้ามฝากมหาสมุทรหมาตัวนี้มันก็ พอถึงฝั่งมาหาสมุทรแล้วมันก็หาไม่เจออีกเหมือนกันเพราะคนข้ามฝั่งไปแล้วหมาตัวนี้ก็วกปนเวียนหาที่มันจะทําลายหรือว่ามันจะทำลายมันจะกัดคนนั้นแต่คนนั้นข้ามไปแล้วข้ามฝั่งไปแล้วจนหมาตัวนี้ไม่สามารถที่จะดมกลิ่นหาคนนั้นได้นี้ก็เหมือนกันบาปกรรมที่ท่านได้ทําไว้แล้วแต่ว่าท่านทาจิตใจของท่านให้หลุดพ้น จากอาสาวกิเลตไปกลัมตัวนี้จะตามไม่ทันพอไปถึงฝั่งแล้วก็หาไม่เจอแต่ผู้ที่จะทำอย่างนั้นได้ไม่ใช่ของได้ง่ายๆในหลักของพระพุทธศาสนากขบอกว่าออจะเป็นล้านๆต่อนหนึ่งคนจะพูดอย่างนั้นก็ไม่น่าจะผิดอีกเหมือนกันผู้ที่จะทาจิตใจให้เด็ดเดียเด่ยวรตัดขนาดนั้นได้แต่ก็มี อย่างนั้นแต่ว่าน้อยมากแต่ถึงยังไงก็ตามมานึกย้อนถึงพวกเราพวกเรารู้อยู่ว่ากลัมในการกระทำของเราตั้งแต่เราเกิดมาเราจะต้องได้ใช้หรือว่าได้ทำกลัมทั้งสองอย่างทั้งสองทั้งกลัมดีและกลัมชั่วทั้งกายกายจะกลัมววจีกลัมมโนกลัมการทำกลัมทำได้สามทางมโนกลัมคือคิดชั่วคิดจะเบียดเบียนคิด อิจฉาคนอื่นเขาคิดจะเบียดเบียนคนอื่นเขาโลภอยากจะได้ของเขาพยาบาดปองร้เขาเห็นผิดเป็นมิจฉาทิฐิไม่ไปตามทํานองครองธรรมอันนี้ไปว่าใจทํากล้ำชั่วร่างกายทํากรรมชั่วฆ่าสัตว์ขโมยทรัพย์ประพฤติภินกามอันนี้ดื่มสุราละว่าจาวาจาทําผิดพูดเท็จพูดส่อเสียด พูดคำหยาบพูดเพอือเจอพูดไม่ไปตำทำนองคลองทำแนะนําคนทางมิจฉาทิฏฐิอย่างนี้นหะคือใช้คําพูดอันนี้เป็นบาปทางวาจาวาจาพาเป็นบาปคือพูดออกทางปากสรุปแล้วก็คือใจใจเป็นต้นคิดอีกอย่างเก่า พอใจคิดไปในทางที่ไม่ดีการกระทํามันก็ไม่ดีการพูดมันออกทางไม่ดีนี่แหละการกระทําจุดแรกเกิดคือตัวใหญ่จริ ง, รงๆก็คือใจเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงได้ตรัสไว้ว่ามนโนปุพังคมาธรรมามนโนเศรษฐามนโนมายาเรื่องทั้งหลา ย, ลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจเพราะฉะนั้นท่านจึงให้อบรมใจการที่จะอบรมใจนั้นทาอย่างไร นี่แหละพระพุทธเจ้าท่านสอนวิธีการอบรมใจแหละใช่ไหอบรมหัวหน้าเนีท่านใช้วิธีการอย่างไรที่ท่านอบรมเอาจึงเอาชนะใจของท่านได้ใจของท่านจึงหลุดพ้นจากอาสวักิเลสได้ท่านทําอย่างไรอันนี้พวกเราจะต้องนําทําคําสอนหรือว่านําการกระทำหรือว่าการดําเนินของพระองค์มาเป็นตัวอย่างของพวกเรา คือพระ อ, องค์ท่านที่ตัดรู้ธรรมในวันเดือนหกเพนถึงจะพูดจงไงมันก็ต้องไปในในโลงลักษณะนี้เราต้องเอาคนที่เหนือกว่ามาเป็นตัวอย่างการทำมาค้าขายเราจะเอาใครเป็นตัวอย่างถ้าว่าเราเห็นว่าเท่าเป็นข้าราชการเราก็ต้องนำผู้ที่เป็นข้าราชการประสบความสำเร็จ ในหน้าที่ตำแหน่งมาเป็นตัวอย่างจะเป็นแขนงไหนในราชการมีหลายมากมายหลายอย่างทั้งพิพากษาอายการตำรวจทหารครูโรงเรียนมีมากมายเราก็นาผลงานที่ว่าท่านได้สาเร็จตรอดไปนั้นเอามาเป็นตัวอย่างถ้าเราเป็นพระสงฆ์เราก็นำทำคาสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในแต่ละยุค มาเป็นตัวอย่างของเราเพื่อเราจะได้เดินตามแนวแถวนั้นจากนั้นเราก็ได้ศึกษาสาว ก, กะคือลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าในครั้งพุทธกาลท่านดำเนินอย่างไรท่านจึงได้สำเร็จมรรคสาเร็จผลอันนั้นเราก็มานามาศึกษาและก็นำท่านําท่านเป็นตัวอย่างแต่นี้เราก็เนึกไปถึงบรมครูของพวกเราคือพระพุทธเจ้า ที่ท่านได้ตัดสู้ทำในวันเดือนหกเพจนั้นท่านทำอย่างไรเนี่ยอันนี้สรุปแล้วก็คือนำท่านนำแต่ละท่านมาเป็นตัวอย่างของพวกเราพวกเราจะดำเนินอย่างไรจึงจะได้ดีเนางวิธีการดำเนินชีวิตอันนี้ทางวิถีทางจิตใจของพวกเราก็เช่นเดียวกันเราจะเดินวิธีอย่างไร จึงจะพ้นทุกในวัฏสงสารจะมาจะไม่มาเวียนไหวตายเกิดอีกอย่างที่พระพุทธเจ้าพระหันสาวกที่ท่านได้พาดําเนินมานี้พวกเราก็จะได้เดินตามแนวแถวนั้นมาเป็นตัวอย่างสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายทีนี้พระสาวกมีมากที่ท่านดําเนินพวกเราได้ศึกษาบางองค์กับพิจารณาอสุภะ บางองค์ก็พิจารณาอานิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีมากมายถ้าพวกเราได้ศึกษาแต่ละแต่ละองค์ท่านได้สำเร็จแต่ละอย่างแต่ก็คล้ายคลึงกันคือท่านเห็นอนิจจังคือของไม่เที่ยงและก็เกิดความสลดสังเวชใจจากนั้นท่านก็เกิดความเบื่อหน่ายคลายหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสอันนี้คือ พระรหันส่วนมากที่พวกเราได้ศึกษาในพระไตรปิฎกจากนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราท่านก็ให้ได้สอนพวกเราอีกเหมือนกันสมาธินะทจิตใจให้สงบถ้าจิตใจปุุงฟุ้งซ่านแล้วเราจะคิดเรื่องอะไรมันจะเป็นสัญญาสังขารมันจะไม่ปัญญามันจะไม่เข้มข้นปัญญาจะไม่เที่ยงตรง เป็นปัญญากระสับกระสายเออคิดผิดคิดถูกตัดผิดตัดถูกไม่รู้ตัวไหนเป็นควรจะตัดไม่รู้ตัวไหนควรจะชำละเพราะเหตุไรเพราะใจของเราไม่เป็นสมาธิไม่มีกำลังพอเพราะนั้นท่านจึงให้จิตใจให้เที่ยงตรงจิตใจให้เป็นสมาธิเสกอนท่านยกตัวอย่างอย่างที่พระพุทธเจ้า ที่ท่านในคืนตัดสรุนั้นท่านกาหนดลมหายใจเข้าออกนี่แหละสรุปแล้วก็คือ ท, ท่านท่านทาจิตใจให้สงบซะกอ่อนจิตใจไม่ปงฟุ้งในก่อนในคืนวันนั้นและท่านก็พูดอีกว่าในขณะนั้นก่อนที่ได้จะได้ตัดสรูธรรมในวันนั้นก็มีพยามานเข้ามารบกวนมากมายลากลายมี พยามันเสนามมนลูกสาวของมา น, นางตันหาราคะอรารดีเข้ามายั่ยยวนสรุปแล้วก็คือใจของพระ อ, องค์คือศีธถะปุ่งฟุ้งออกไปข้างนอกไปเห็นสิ่งภายนอกพระ อ, องค์เขาเอาตั้งจิตแน่วแน่ตั้งจิตอธิษฐาน ด้วยบารมีของพระองค์ที่ได้บำเพ็ญมายาวนานถึงสี่อสงไขยกาไรแสนมหากับเข้ามาตั้งจิตให้แน่วแน่จากนั้นพระองค์จิตใจของพระองค์ก็แน่วแน่เป็นหนึ่งเมื่อจิตใจของพระองค์เป็นหนึ่งแล้วเกิดญาณทัศนะเกิดฌานจากนั้นก็ได้ดูใจของพระองค์จึงน้อมจิต ถึงอดีตที่ผ่านมานี่แหละอันนี้คือแนวทางของพุท ธ, ธะแลวก็แนวทางของสาวกคือผู้สดับที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสได้สอนแก่พวกเราท่านทั้งหลายก็มีมากมายหลายอย่างสรุปแล้วก็คือให้พวกเราเห็นของที่ไม่พึงปรารถนาให้เห็นตามความเป็นจริงความเป็นจริงนั้นคืออะไรคือร่างกายของเราตั้งแต่หัวจนเท้า มีอะไรบ้างพวกเราทำไมมาติดข้องในร่างกายของตนเองเพราะติดข้องในร่างกายของตนเองแล้วก็ไปติดข้องในร่างกายของคนอื่นเห็นของคนอื่นก็ไปติดข้องในคนคนอื่นแต่ขนาดร่างกายของเรามันก็ยังไม่ใช่ของเราอย่าแก่นะอย่าเจ็บนะอย่าตายนะเราไม่บอกไม่ได้ว่าเป็นใช้ไม่ไม่อยากจะให้มันเป็นแต่มันก็เป็น มันไม่ฟังคําของเราเลยในร่างกายนีขนาดร่างกายของเรายังบอกไม่ได้แล้วเรายังไปยึดครองว่าร่างกายคนอื่นเป็นของเราอีกเมื่อในเมื่อไปยึดร่างกายของคนอื่นเป็นของเราอยากท่านก็จะไปยึดพวกอสังหาหรือมาทรัพย์ต่างๆมีบ้านเรือนของใช้ที่ดิน เงินคำทรัพย์สมบัติที่ของที่มันไม่เคลื่อนไหวว่าเป็นตัวตนของเราเข้าไปอีกเพราะนั้นเราจิตใจของเราไปติดไปคล้องกับสิ่งภายนอกว่าเป็นของเราทีนี้เมื่อรับว่าเป็นของเราเราก็แบกเข้ามาสู่จิตใจอันนั้นก่ของเราอันนั้นก่ของเราถ้ามันมีความเสียหายแล้วไม่พึงปรารถนาเราก็เสียใจกับสิ่งเหล่านั้น ใจของเราก็เป็นทุกข์กับสิ่งเหล่านั้นแต่ขนาดร่างกายของเราเราก็ยังไม่ใช่ของเราถ้าเราพิจารณาตามธรรมคำสัส่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจา้าทว่าร่างกายของเราเนี่ยมันไม่ใช่ของเรานะอีกสักวันหนึ่งนะจะต้องถึงจอดจบออนอนทับผมแผ่นดิน เ, เมื่อตายไปแล้วไปเนะี่ยเขาจะต้องยัดเข้าหีบเข้าลงเข้าหีบศพรงศพ จากนั้นก็เผาไฟทุกคนความตายนี่เป็นของเที่ยงแท้แต่อย่างอื่นเป็นนิดเป็นอนิดจังแต่ความตายนี่เป็นนิดจังคือของเที่ยงแท้เกิดมาเท่าไหร่าตายเท่านั้นไม่มีใครที่จะหลีกลี่หนีจากความตายไปได้เนี่ว่านิดจังคือของเที่ยงแท้แน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นแต่พวกเราคิดพูดได้แต่เมื่อเห็นคนอื่นเราก็เอ้ย ตายเป็นธรรมดาแต่มาถึงตัวเองข้อแล้วมันไม่ใช่ธรรมดาเรื่องความตายเพราะนั้นให้ทาใจเอาไว้ต้องฝึกเอาไว้ให้พิจารณาเอาไว้ให้เข้มแข็งเอาไว้ให้ปล่อยวางเอาไว้ร่างกายสังขารนั้นไม่ใช่ตัวตนของเราอีกสักวันหนึ่งเราจะต้องทิ้งแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นขอให้พวกเราส่งสมคุญงามความดีถ้าว่าพวกเรา มีคุณธรรมในจิตใจจนถึงความบริสุทธิ์จุดพ้นแล้วถึงจะแก่อย่างไงจะตายยังไงพวกเราก็ไม่สะทยานไม่หวั่นไหวเพราะเหตุใดเพราะเราข้ามฟากไปแล้วใจของเราเข้าสู่แดนอวกาศของจิตของธรรมไปแล้วเราไม่ได้มายึดมั่นถือมั่นในร่างกายสังขารของพวกเราเพรา ะ, ะนั้นขอให้พวกเราได้นำธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านํามาประพฤติปฏิบัติ ตั้งแต่สมาธินี่แหละศีล ส, สมาธิกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสิ่งไหนที่มันไม่ถูกต้องอย่าทำมโนกรรมอย่าคิดกายกรรมอย่าทำวจีกรรมอย่าพูดในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องออจากนั้นเราก็มาทำจิตใจให้ของเราให้สงบเมื่อจิตใจของเราสงบแล้ว เราก็มาพิจารณาร่างกายให้เห็นตามความเป็นจริงร่างกายของเรามีอะไรบ้างตั้งแต่หัวจดเท้านี่มีกระดูกเป็นโครงสร้างข้างในจากนั้นก็มีของ อ, อ, อสุภะปฏิกูลทั้งหลายพลุงพลังมีเลือดมอีอุจจละปัจวะมีสเลเ อ, อมีอะไรอยู่ข้างในตัวของเรา แต่เราก็ทะนุถนอมผอมผ้าให้อาบน้าให้รักยิ่งกว่าอะไรไม่มีอะไรที่จะรักยิ่งกว่าตัวเองรักร่างกายรักชีวิตพูดอย่างนั้นได้แต่ถึงจะรักทะนุถนอมขนาดไหนร่างกายนี่ก็ยังไม่ให้ความสนใจกับใจของตนเองแต่ใจของเราเนี่เป็นห่วงมากรักมากสงวนมาก แต่ใจแต่กายเราเรานั้นทุกคนนะมันไม่เชื่อฟังใจใจนี่อยากจะให้เป็นอย่างนั้นแต่กายมันก็เป็นแต่เมื่อมันเป็นแล้วใจนี่ก็ต้องหาหยุกหายาหาอะไรมาเยียวยาเยียวยารักษามันหิวกว็าหาอาหารให้กินกระหายก็าหาน้าให้ดื่มมันร้อนก็หาวิธีการอาบน้าอติดห้องแอร์ เวลามันหนาวเกินไปหาผ้าหม่มเอเพื่อดูแลประครบประงมร่างกายแต่ร่างกายนี้นจึงจะประครบประงมดูแลดีขนาดไหนร่างกายนี้ก็ยังเป็นอื่นอยู่เสมอแต่จิตใจของเรานี่ยเป็นห่วงรักเอง อ, อร่างกายเพราะได้มาจากท้องพ่อท้องแม่ผลที่สุดถือว่าร่างกายเป็นเราเราเป็นร่างกายะนี่แหละกิเลส ของพวกเราท่านทั้งหลายถ้าหาว่าพวกเราไม่ได้รับทำคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพวกเราจะแยกไม่ออกเลยในจุดนี้แต่เนื้อขนาดพระพุทธเจ้าแยกว่าร่างกายไม่ใช่เรานะเราไม่ใช่ร่างกายนะต้องนั่งสมาธิทําจิตให้สงบดูนะเมื่อจิตสงบแล้วท่านจะรู้ได้ด้วยตนเองว่ากายกับใจอาศัยกันอยู่เป็นคนละแนวกันคนละอย่างกันท่านจะเห็นได้ชัดด้วยตนเองนี่แหละ ทำคำสอนของพระพทุทธเจ้าท่านเน้นจุดนี้ต้องทําจิตใจให้สงบซะก่อนจิตใจเป็นอัปปนาสมาธิสงบท่านถึงลึกซึ้งของที่ยอดสมาธิอันนั้นจะเห็นได้ชัดเจนตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญไม่ต้องถามใครรู้ได้ด้วยตนเองในจุดนั้นเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าให้พิสูจน์ตามทำคําสอนของพุทธะพวกเราจะรู้ได้ด้วยตนเอง ธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะปัด จ, จัดตังผู้ปฏิบัติเท่านั้นจึงจะรู้ได้เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราภาวนาเนี่แหละหลักพิสุภาวนาเนี่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาพูดอย่างนั้นก็ไม่น่าจะผิดที่พระพุทธเจ้าจะได้ตัดรู้ธรรมก็คือภาวนาสมาธิปัญญาวิปัสสนาสมถะวิปัสสนาที่จะตัดกิเลสภายในใจของ พระอริยะเจ้าท่านทั้งหลายเหล่า น, านั้นเพราะฉะนั้นพวกเราให้เดินตามแนวแถวของพุทธตานเดินตามแนวแถวสาวกะเดินตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่ท่านได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลเป็นตัวอย่างของพวกเราและก็ท่านได้แนะแนําสั่งสอนพวกเราให้รู้จักมรรครู้จักผลรู้จัก ยกจิตใจของเราให้พ้นจากวัฏฏะไม่ให้ไม่ให้มาเวียนไหวตายเกิดในวัฏฏะสงสารนั้นท่านสอนอย่างไรพวกเราได้ฟังได้ศึกษาแต่พวกเรายังขาดอยู่อย่างมากก็คือการดำเนินการประพฤติปฏิบัติอันนี้พวกเรายังห่างไกลพอนั่งไปหนอกก็เหนื่อยพอนเหนื่อยแล้วกอนนะใจไม่สู่ผลที่สู่ก็เลยละเลยแหละะเลยแหละเป็นวันๆไป นี่แหละตัวนี้แหละคือจุดอ่อนของพวกเราท่านทั้งหลายขอให้พวกเราท่านทั้งหลายสู้นะพยายามทดลองสู้ดูสิเอาสักสามวันเจ็ดวันดูสิเป็นยังไงทําใจของเราไม่ให้ปุง่งฟุ้งออกไปข้างนอกอย่างวันนี้นเมื่อได้รับฟังคําของหลวงพ่อที่แนะนําสั่งสอนพวกเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระหนุ่มพระน้อยร่างกายยังแข็งแรงทดลองเลยสิกลับไปนี่จะไม่นอน ตลอดคืนเดินจงกรมแล้วก็ น, นั่งพยายามพยายามไม่ใช่ไม่นอนเฉยเฉยนะพยายามไม่ให้ส่งจิตออกไปข้างนอกให้จิตของเราเป็นสมาธิให้มีสติสัมปชัญญะอยู่กับตัวเองตลอดทั้งคืนดูสิเป็นยังไบงบังคับนะใหม่ๆเราต้องบังคับเหมือนกับเด็กไม่อยากจะเรียนหนังสือเราต้องบังคับให้เขาเรียนแต่เมื่อเขาเรียนแล้วเขารู้ คุณค่าของการเรียนการศึกษาแล้วอันนั้นไม่ต้องบังคับมันไปเองเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันเด็กเข้ามาศึกษาเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างก็เลยทะเลทลายไม่อยากจะทำเพราะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายบังคับตัวเองนะทำเมืองบังคับตัวเองพอรู้แนวทางแห่งการปฏิบัติแล้วนั่นแหละพวกเราจะหมุนไปได้เชื่อในกรรมเชื่อในผลของกรรมเชื่อในสมาธิ และก็เชื่อในปัญญาของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสไว้โอ้ทำไมพระพุทธเจ้าจึงฉลาดขนาดนี้ทำไมพระพุทธเจ้าท่านจึงรู้ได้อย่างนี้พวกเราจะรู้ตามแนวแถวของพุทธะและจะยอมกลาบพระพุทธเจา้ากลาบพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้ากลาบพระสงฆ์สาวกที่พัะนำพระธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจา้ามาประกาศมาเผยแพร่ให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาเรารู้บุญคุณ พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์ในตัวของเราในใจของเรานะการพูดการแสดงธรรมวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาขอยุติในการพูด